พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงถึงความที่นิพพานมีอยู่โดยแย้งกันบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงถึงนิพพานนั้นโดยคล้อยตามการจึงตรัคําเมียที่ว่ายะสมาจากโขดังนี้คํานั้นมีความดังได้กล่าวแล้วอันหนึ่งในข้อนี้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์โลกทั้งปวงทรงแสดงความเป็นไปเองโดยประมัติแห่งนิพพานธาตุด้วยสูตรแม่นี้ว่านะครับ พอองค์นี้พูดถึงนิพานเนี่ยนะครับยังมีสูตรอื่นอีกนะเช่นมาดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วมีอยู่นะครับจะแสดงลักษณะ น, นี้หรือด้วยบทพระสูตรไม่น้อยเป็นต้นว่าธรรมะไม่เป็นปัจจัยนะครับคือคื อ, คอไม่ได้ถูกปัจจัยก่อขึ้นนะธรรมะเป็นอสังขตะมีอยู่ดูก่อนพิ่สูตรทั้งหลายอายตนะนั้นไม่ใช่แผ่นดินนะครับคือไม่ใช่ถ า, ถาดธาตุดินนะนะไม่ใช่ถาดน้ําถาดลมถาดไฟอะไรสักอย่าง ฐานะแม่นี่แลเห็นได้ยากคือการสงบสังขารทั้งปวงการสละกิเลสทั้งปวงนะครับหรือว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะอันเป็นอสังขตะและปฏิปทาให้ถึงอสังขตะแก่พวกเธออันนี้ก็ในอสังขตะสังยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยมีแสดงไว้มากมายนะครับคือในพระไตรปิฎกเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าแสดงสั้นๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้ไม่ได้อธิบายวิจิตเหมือนกับรูปนามขันห้าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรคัดค้านความสงสัยหรือความเคลือบแคลงมิได้มีแก่ผู้รู้ทั้งหลายผู้ยังไม่ประจักษ์ในข้อนั้นการวิจารณ์ข้อยุติโดยยกหัวข้อขึ้นอธิบายในเรื่องนี้เพื่อบรรเทาความสงสัยของบุคคลผู้ไม่มีปัญญานะครับที่ยกมาเนี่ยก็เพื่อตัดความสงสัยของคนโง่นะว่าเออสภาวะนั้นนะ่ะมีอยู่นะมั่นใจได้บางอัน การสลัดออกอันมีสภาพไกลจากนั้นซึ่งเป็นปฏิปักษ์แห่งกามและรูปทั้งหลายอันยิ่งเพราะความเป็นผู้กำหนดรู้ย่อมปรากฏฉันใดอันการสลัดออกซึ่งมีสภาพไกลไปจากนั้นอันเป็นปฏิปักษ์แห่งสังคตธรรมทั้งปวงซึ่งมีปัจจัยเป็นสภาพพึงมีฉันนั้นการสลัดออกนั้นเป็นอสังคตาธาตุนะครับเพึงทราบบางอย่างยิ่งๆิ่งขึ้นไปว่า วิปัสนาญาณหรืออนุโลมญาณมีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์ไม่สามารถจะละกิเลสทั้งหลายได้โดยเด็ดขาดนะครับนะอย่างวิปัสนาญาณที่หนึ่งเนี่ยนะครับเห็นลักษณะของนามรูปวิปัสนาญาณที่สองรูป้ปัจจัยของนามรูปวิปัสนาญาณที่สามพิจารณานามรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับวิปัสนาญาณที่สี่พิจรารณาเห็นเหตุเกิดและความดับของนามรูป วิปัสสนาญาณที่5เห็นความดับของนามรูปเป็นวิปัสสนาต่อไปก็คือเห็นนามรูปโดยความเป็นภัยนะครับเห็นเป็นภัยเห็นเป็นโทษเห็นเป็นของหน้าเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เห็นเป็นปฏิบัติเพื่อไข่จะพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะวิปัสสนาญาณทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นก็ยังมีสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์ คือสรุปก็ยังไม่ได้พ้นจากรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ไปเลยถึงจะพิจารณาในแง่ไหนไหนก็ตามก็มีขันห้าเป็นอารมณ์นะครับถึงจะพลึกแพลงวิจิตขนาดไหนก็ไม่พ้นจากขันห้าเพราะฉะนั้นในขณะที่มีขันห้าเป็นอารมณ์แบบนั้นไม่สามารถละ ก, กิเลสได้เด็ดขาดนะครับถึงจะพิจารณามากขนาดไหนก็ละ ก, กิเลสได้ไม่เด็ดขาด อย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับชาติที่ท่านบวชแล้วทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะขันห้าเนี่ยท่านพิจารณาอย่างละเอียดจริงๆนะครับแต่ละกิเลสอะไรไม่ได้เลยละโดยสมุดเชนนะแต่ว่าขณะที่พิจารณาก็ละได้ละอย่างน้อยที่สุดก็แตทางค่าป่าหานนะครับแต่ว่าไม่สามารถละได้เด็ดขาดนะหลังจากนั้นท่านก็ยังมาปฏิบัติผิดใช่ไหมยอย่างในชาติก่อนๆ น, นี่นะครับท่านก็ปฏิบัติจนได้วิปัสสนาญาณทรงพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะ แต่มาชาติหลังก็มาแม้กระทั่งชาติสุดท้ายก็ยังไปปฏิบัติผิดเลยถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้วิปัสสนาญาณที่เคยเกิดในชาตินั้นๆเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วอ่ะนะครับเพราะไม่สามารถละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดได้อันหนึ่งญาณในปฐมฌานเป็นต้นอันมีสมมุติสัจจะเป็นอารมณ์นะครับคือปฐมฌานเนี่ยนะฌานทั้งหลายนะครับรูปฌานเนี่ยนะครับมีสมมุติเป็นอารมณ์นะครับ ทั้งปฐมฌานทุติยฌานาตติยฌานเนี่ยคือสมมุติในที่นี้เป็นชื่อของบัญญัติอะนะคือมีบัญญัติเป็นอารมย์ย่อมละกิเลส ท, ทั้งหลายไว้ด้วยการข่มไว้เท่านั้นละไม่ได้โดยเด็ดขาดสรุปนวิปัสสนานี่นะครับเป็นต่ทางค้าประหารส่วนฌานเป็นวิขมพนะประหารเพราะฉะนั้นก็ละกิเลสไม่ได้เด็ดขาดอารมณ์อันมีสภาพผิดไปจากทั้งสองนั้น พึงมีได้แก่ยานอันมีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์และมีสมมุติสัจจะเป็นอารมณ์เพราะไม่สามารถละกิเลสทั้งหลายได้เด็ดขาดแต่อริยมรรคยานอันกระทาการละกิเลสเหล่านั้นได้เด็ดขาดนั่นคืออสังคตะธาตุคืออริยมรรคนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่จะแต่จะต้องไม่ลืมว่าอริยมรรคนั้นเกิดขึ้นโดยลาดับของโคตรภูญา โคตรภูยานก็เกิดโดยลำดับของอนุโลมยานนะครับอนุโลมยานก็เกิดโดยลำดับของสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานก็เกิดโดยลำดับของมุลจิตุกรรมมิยตายานมุลจิตุกรรมมยตายานก็เกิดมาโดยลำดับจากนิพิทายานเป็นต้นนะครับก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับเพราะน์ยานทั้งหลายทั้งที่เป็นฌานหรือเป็นวิปัสสนายานทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับ เป็นบาตฐานให้อริยมรรคเกิดได้แต่เขาเองนั้นไม่สามารถลักิเลสได้นะครับโคตรภูญานเนี่ยนะครับมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ก็ไม่สามารถลักิเลสได้นะครับเรียกว่าเป็นอาวัชนะแห่งมรรคเท่านั้นเองนะครับนะไม่สามารถลักิเลสได้แต่จะไปลักกิเลสได้ในขณะแห่งอารยมรรคเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโคตรภูญานนี้ไม่มีสังขารเป็นอารมณ์แต่มีนิพพานเป็นอารมณ์ เพราะโคตรภูยานเนี่ยหลุดพ้นโดยส่วนเดียวคือพ้นจากสังขารนิมิต ส, ส่วนมัคคานนั้นพ้นจากสังขารนิมิตคือมีนิพานเป็นอารมณ์ด้วยและละกิเลสได้ด้วยนะทวนอีกครั้งคือโคตรภูญามีนิพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวละกิเลสไม่ได้นะส่วนมัคคยานเกิดขึ้นมีนิพานเป็นอารมณ์ด้วยละกิเลสด้วยนะครับ ละแม้กระทั่งขันที่จะเกิดขึ้นในภพที่แปดเป็นต้นด้วยถ้าเป็นพระโสดาบันนะครับตามสมควรแก่มรรคนั้นๆด้วยนะครับบทว่าอตถีพิขเวอาชาตังอาภูตังอากตังอาสังคตังนี้เป็นคำสอนถึงความที่นิพพานมีอยู่โดยปรมัภะเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดจริงอยู่ คำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดเป็นปรมัติเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าส ja, ัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานาตาคำนี้เป็นคำที่ไม่ผิดไม่พลาดมันเป็นอย่างนี้จริงๆร่งวะงั้นอันหนึ่งนิพพานศัพน์นั้นเป็นปรมาัถาถวิสัยตามที่เป็นจริงในวิสัยไหนๆเพราะมีความเป็นไปใกล้เคียงเหมือนสีหศัพท์ฉะนั้น เพื่งทราบความที่อสังขตะธาตมีอยู่โดยประมัตแม้โดยยุติโดยนายเมียที่ว่าอสังขตะธาตมีอยู่โดยประมัตเพราะมีสภาพพ้นจากความวิปริตนอกนั้นเหมือนคําว่าปฐวีธาตแลวเวทนาเป็นต้นนะครับคือมีอยู่จริงแต่ไความจริงอันเนี้ยไม่เหมือนรูปนามขันห้าอะไรซากอย่างเลยนะครับส่วนในคาถาทั้งหลายนะครับคาถาก็ทวนคาถาว่า ธรรมชาติอันเกิดแล้วมีแล้วนะครับเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยทําแล้วปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนรัคนแล้วด้วยชราและมรณะเป็นรังแห่งโรคผุพังมีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิดไม่ควรเพื่อความยินดีธรรมชาตินั้นนะครับคือหมายความว่า ย, ยกตัวอย่างนะอย่างรู ป, ปกายเนี่ยนะครับร่างกายเนี่น ะ, ะเกิดแล้วมีแล้วนะครับอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วรัคนไม่ยั่งยืนแก่ชราเป็นรังของโรค พังก็ต้องอาศัยอาหารนะครับข้าวสุกขนมสดหล่อเลี้ยงเอาไว้และก็มีตันหาในอดีตเป็นต้นนั่นแหละเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นไอรูปปกายอันนี้จึงไม่ไม่ควรยินดีว่างั้นถ้าเวทนาเป็นต้นละ่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่เป็นนามธรรมก็เป็นธรรมชาติอันเกิดแล้วมีแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนระคนด้วยชราและมรณะเป็นรังของโรคเหมือนกันโรคคือกิเลสเนี่ยนะ แล้วก็ผูกพังมีอาหารเป็นแดนเกิดนะครับถ้าเวทนาขันมีภาษาหารเป็นแดนเกิดนะครับถ้าอ่นนะภาษาหารนํามาซึ่งเวทนามโนสัรเจตนาหารนํามาซึ่งอ่นนะพบหรือวิบากกรรมชรูปวิญญาณาหารคือ น, นามาซึ่งนามรูปเพราะฉะนั้นแม้แต่นา ม, มาธรรมทั้งหลายก็มีอาหารเนี่ยนะครับเป็นแดนเกิด นะครับแต่เป็นอาหารที่เป็นนามและอาหารที่เป็นรูปเป็นต้นแล้วก็ตันหาในอดีตนั่นแหละเป็นเหตุเกิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรยินดีเพราะมันระคนไปด้วยชราและมรณะเป็นของที่มันผุพังอ่ะนะเป็นของที่ไม่มีความคงทนะอะไรเลยรูปนามขันห้าทั้งหมดเหล่านี้แต่ว่าการสลัดออกซึ่งธรรมชาตินั้นเป็นบทอันระงับจะคาดคะเนเอาไม่ได้ยั่งยืนไม่เกิดไม่เกิดพร้อมไม่มีความโศกปราศจากทุลี ความดาบแห่งทุกขธรรมทั้งหลายคือความที่สังขารสงบระงับเนี่ยเป็นสุขเหมนันเถอะพระนิพพานเนี่ยเป็นสุขจริงๆแต่ว่าพระนิพพานเนี่ยจะเห็นได้ก็ต้องเจริญโดยลําดับยานะทั้งหลายที่กล่าวไปแล้วนั่นนะครับเพราะฉะนั้นในอัตถกถาจึงอธิบายต่อไปนะครับในบทตรงนี้ผม นบทนี่นะฮะสัพเพสังคารานิจจาสัพเพสังคาราทุกขาสัพเพธรรมานตาเนี่ยนะครับผมได้ยินอาจารย์แล้วก็ได้อ่านหนังสือหลายหลายเล่มนะครับอไอประเภทที่ว่าน่าต้องจะจะต้องเป็นพวกตักกาว่าจะว่าจะละนะครับพวกตักกาว่าจะละเนี่ยนะคือชอบตรึกเนี่นะครับชอบนึกชอบคิดชอบคํานวณเนี่ยว่า เอไอ้บทว่าสัพเพสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายต้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยนะครับและทำไมตรงนี้เนี่ยสัพเพธรรมาเนี่ยมันที่ทุก์มันจะต้องเป็นสัพเพสังคาราสังคารานัตตานะครับเพราะเพราะว่าเอบทข้างต้นเนี่ยมันเป็นสังฆารหมดเลยแล้วมาเปลี่ยนบทข้างหลังทำไมเนี่ยนะฮะเพราะเขาจะไปยกย่องยืนยันว่านิพพานเนี่ยมันเป็นอัตตาให้ได้ นะครับจะให้มันเป็นสภาพที่เที่ยงให้ได้ครับ <นะ S 1> ทั้งทัง <นะ S 1> ที่ข้อความเหล่านี้นีครับพระไตรปิฎกทุกแห่งแสดงเหมือนกันหมดอืมนะครับไม่ใช่ในมีในคัำพีผพุทพจน์อย่างลักษณะนี้นะแม้ในคำภีคาถาธรรมบทก็เป็นอย่างนี้คัมภีร์ปฏิสามพิธา ม, มักเป็นต้นก็เป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อก่อนผมผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมสึกเอมันยังไงวะนั่งอ่านแล้ว พอมาถึงจนนี้แล้วมันงงมันมืนมันตื้อไปหมดเลยอ่านต่อไม่ได้ต้องวางเลยฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็รู้ได้แล้วว่าอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยควรที่จะเลิกคบได้เนี่ยทางความคิด น, นะนะแม้แต่คิดก็ไม่ควรคิดถึงนี้ไหมครับคือเนื่องจากว่ารับทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในความคิดแล้วหรือมีทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นแม้แต่อ่านพุทธพจน์ก็จะดัดแปลงพุทธพจน์ทั้งหมดให้มาเป็นแนวความคิดของตัวเองนะครับคือตัวเองคิดอะไรอยู่ก็จะเอาพระพุทธพจน์มารับรองไม่เคยคิดลักษณะว่าทำไมพุทธพจน์จึงอธิบายอย่างนั้นนะค้นคว้าข้อความคําอธิบายเหล่านั้นติดตามท่านไปสิอันนี้ไม่คิดนะครับจะให้พยัญชนะที่พุทธพจน์ตรัสไว้เนี่ยมาคล้อยตามรัฐที่ของตัวเองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นก็ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะเขาไม่ได้ยอมรับพระธรรมเหล่านี้เป็นสารณะอะไรนะครับเขาถือสิ่งที่เขามีนี่นะครับเป็นสารณะเพราะฉะนั้นก็พยายามศึกษาก็เพื่อที่จะมาตอบสนองมาส่งเสริมไอ้ลัทธิที่มีอยู่ของตัวเองนั่นเองนะครับนะครับก็เขาก็เสื่อมจากพระตัณหาตายเป็นคนแรกก่อนนะครับเสื่อมจากพระปริยัติธรรมเพราะแม้แต่พระปริยัติธรรมก็ยังจะบิดเลยนะครับ ในคาถาทั้งหลายพึงทราบอธิบายต่อไปนี้บทว่าชาตังได้แก่ชื่อว่าชาตังเพราะอัฏฐาว่าเกิดอธิบายว่าถึงลักษณะแห่งชาตินะครับคือรูปรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะมีลักษณะแห่งความเกิดอยู่บทว่าภูตังชื่อว่าภูตังเพราะอัฏฐาว่าเป็นอธิบายว่าเป็นแล้วบทว่าสมุปปนังได้แก่เกิดขึ้นแล้วด้วยความมีประโยชน์และเกิดขึ้นแล้วด้วยธรรมะอันมีประโยชน์ บทว่าอักตังได้แก่เกิดด้วยปัจจัยอันเป็นเหตุบทว่าสังคตังได้แก่สังคตังเพราะอันปัจจัยทั้งหลายนั่นแลปรุงแต่งแล้วคํานั้นทั้งหมดเป็นชื่อของการเกิดแห่งปัจจัยนะครับคือปัจป จ, จัยเนี่ยนะครับหมายถึงปัจจัยโบันด้วยนะครับปัจจัยและปัจจัยโบันนี้อาศัยกันและการเกิดขึ้นลักษณะนี้ชื่อว่าอัทวงไม่ยั่งยืนเพราะเว้นจากสิ่งที่มีสาระอันเป็นของเที่ยงเป็นต้น น, นะ มันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ถูกปัปจจัยปรุงแต่งนะที่เที่ยงไม่มีแม้แต่อย่างเดียวนะครับเชื่อว่าชรามรณะสังขารตังรคนแล้วด้วยชราและมรณะเพราะรคนคือเกี่ยวข้องด้วยชราและมรณะโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับคือยังไงเสียสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ต้องโสมเป็นธรรมดานะครับชรานี่ก็คือโสมหรือมันสุดไปเป็นธรรมดามรณะก็พังทําลายไปเป็นธรรมดา อธิบายว่าถูกชรามรณะเบียดเบียนคือบีบคั้นชื่อว่าโรคคั้นนิถังนะครับได้แก่เป็นรังแห่งโรคเพราะเป็นรังแห่งโรคหลายอย่างมีโรคตาเป็นต้นถ้ารคประคันนะถ้าโรคปรันก็โรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคปากโรคฟันนะครับโรคปวดศีรษะโรคทุกส่วนนะครับสํานวนว่าทุกอนูของร่างกายเป็นรังของโรคหมดเลยนะครับไม่มีส่วนใดที่ไม่เป็นรังแห่งโรคเลยนะครับ แล้วทานนามมาทำทั้งหลายล่ะภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นรังของโรคไหมครับเป็นรังแห่งราคะรังแห่งโทสะรังแห่งโมหะรังแห่งมานะถีนะอุทธจัวิจิกิจฉาเป็นต้นนะครับรังแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายทุกชนิดเป็นรังแห่งอัสมิมานะเป็นรังของอวิชชาและภาวะตันหาเป็นรังแห่งตันหาสามเป็นรังแห่งโอคะสีโยคะสีคันทะสีนะครับ อาสวะสี่อุปาทาน4ี่เป็นรังแห่งนิวรห์5นะครับเป็นรังแห่งตันหากาย6วิวาทมูล6เป็นรังของอนุใสเจ็เป็นรังของมิ ช, ชตะ8เป็นรังของตันหามูลกะเ้าเป็นรังของสังโยชตสิบนะครับเป็นรังของกิเลสพันหตันหาร้อยแปเป็นรังของทิฏฐิ6กสบสองนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกอาศัยรังพวกนี้นะครับอาศัยรังคือขันห <med> ้าน <med> ี่แหละเกิดอ๋อเอามีหัวข้อมาเฉยนะครับ ย, ยัยงครับยขยายเดี๋ยวไม่มีสูตรนี้อีกไปเรื่องอื่นหมดนับเชื่อว่าปะพังคุณังคือผุพังเพราะมีปกติผุพังเป็นอย่างยิ่งโดยการแสดงโดยการพยายามเชื่อว่าอาหารเนติปะพวังมีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิดเพราะนะคำว่าเนติเนี่ยเป็นชื่อของตันหาะนะครับเนตติตรงนี้นะ มีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิดเพราะมีอาหาร4อย่างนะครับสี่อย่างคือกับพลิงกราหานภัสสะหานมโนสันเจตนาหานและวิญญาณอาหารและเนติคือตันหาเป็นแดนเกิดคือเป็นสมุทฐานนะครับสรุปแล้วนะถ้าปัจจัยใกล้ๆก็เช่นนะครับสรรพยุตธรรมทั้งหลายเป็นต้นก็เป็นปัจจัยเป็นอาหารให้เกิดขึ้นและเป็นอนันตระปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัย ตันหาในอดีตเป็นต้นเป็นอุปนิสัยปัจปจัยกรรมเป็นนานขั้คณิกากรรมปัจจัยนะครับให้รูปประคันนามขันเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้เราเน้นไปที่วิบากและกะรรมาชลุปนะครับทีนี้อาศัยวิบากและกะรรมชลุปเหล่านั้นทำกรรมใหม่อีกนะครับปัจจัยแม้ทั้งหมดเป็นอาหารนะครับว่าอาหารนี่เป็นชื่อของปัจจัยทุกชนิดนะครับแต่ในบัทนี้เพึงทราบว่าโทษทั้งหลายชื่อว่าตันหาเพราะตันหาท่านใช้ศัพท์ว่าเนติเพราะฉะนั้น ชื่อว่าอาหารเนติผวังเพราะมีอาหารและตันหาเป็นแดนเกิดหรือชื่อว่าอาหารเพราะอัฏาวันนำไปชื่อว่าตันหาเพราะอัฏฐาวาเป็นไปแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอาหารระเนติภวังมีอาหารและภาวะตันหาหรือมีอาหารและตันหาเนี่ยพาไปเออถ้าพูดอย่างนี้ก็ชัดเจนนะ น, นะเช่นวิบากและกรรมชรูปของเราที่มันมีนมรูปมีร่างแบบนี้ก็อาศัย อวิชาตันหากรรมแล้วก็อาหารเป็นในปัจจุบันนี่แหละรอเลี้ยงอยู่ชีวิตที่ดําเนินไปก็อาศัยตันหาใหม่เนี่นะพาไปานั่งนึกโอ้โหจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดหนึ่งที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งอันนี้ตันหาก็ น, นําไปเอาใหม่นะตันหานเนี่ยทาให้มีวิบากกรรมมาชรูปก่อนตันหาเก่าเนี่ยนะทำให้มีรูปร่างหน้าตาเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้อาหารไอ้ตันหาเก่ามาพามาแล้วก็อาศัยอาหารเนี่ยข้าวสุกขนมสดเป็นต้นรอเลี้ยงให้เจริญเติบโตมา แล้วไอ้ตันหาอันใหม่นะมันพาไปผมมานั่งนึกนะเอ้มาอยู่เชียงรายเอ้เชียงรายแล้วก็อยู่แล้วนะนะแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่ก็อยู่เอ้ลําพูนเคยอยู่ไหมนึกเออเคยลําพูนก็อยู่ตั้งเกือบอาทิตย์หนึ่งเคยนอนนะที่ลําพูนลําปางเอ้ยอยู่ต้องเป็นเดือนนะครับเอ้เลยไปนั่นเอ้เอคนครสวรรค์เราก็เคยค้างนั่นแหละไล่ไปเรื่อยๆโอ้โหมันตันหาพาไปซะส่วนใหญ่นะครับ พาไปเรื่อยนะไอ้ตันหาเก่าวเนี่ยเป็นเหตุให้มีวิบากกรรมมาชรูปอันนี้แล้วนะครับตันหาอันใหม่ก็พาไปแล้วนะครับภาคใต้ก็ไปภาคตะวันตกภาคอีสานนะครับก็ไล่เลยนะครับตั้งแต่โคราชไปเรื่อยนะพักเคยพักเคยอะไรที่ไหนบ้างอู้ตันหามันพาไปขนาดนี้นะครับแต่ว่าที่มีเรี่ยวมีแรงไปได้ก็อาศัยอาหารอีกนั่นแหละครับมันสัมพันธ์กันนะผสมผสานกันของเก่าด้วยของใหม่ด้วยพากันไปนะครับ บทว่านาลังตะทะพินันที่ตุงได้แก่ไม่ควรยินดีพอใจในอุปาทานขันห้าอันเป็นไปยิ่งด้วยปัจจัยอย่างนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยตัณหาและทิฏฐินะครับไม่ควรหน้าเพลิดเพลินไม่ควรยืนยึดถือในขันห้าเนี่ยนะครับด้วยตัณหาและอุปาทานเลยเพราะไรเพราะว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดจากปัจจัย แล้วไอ้ของที่เกิดจากปัจจัยมันก็ไม่เที่ยงด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่มีนิจจะสาระสุขะสาระอัตตะสาระนะครับไม่มีแกนสารอะไรซากอย่างเลยนะรูปประคันก็เหมือนอะไรครับฟองน้ําเวทนาขันก็เหมือนตอมนม้ําสัญญาขันก็เหมือนพยับแดดสังขารขันก็เหมือนกับต้นกล้วยวิญญาณขันก็เหมือนกับมายากลแต่และอย่างไม่มีสาระอะไรเลยนะครับ บทว่าตัสศนิสรนังความว่าการสลัดออกคือการออกไปแห่งส ก, กายะนั้นดังได้กล่าวแล้วโดยในเมียที่ว่าชาตังผูตังเกิดแล้วเป็นแล้วชื่อว่าเป็นบทเพราะควรเข้าถึงด้วยการล่วงสังสารทุกข์อันชื่อว่าระงับเพราะไม่มีกิเลสมีราคะเป็นต้นและสังขารทั้งปวงอันมีสภาพไม่สงบเพราะความสงบแห่งกิเลสและสังขาร น, นั่นแลเพราะมีความ สัสนเสริญชื่อว่าจะคาดคะเนเอาไม่ได้เพราะไม่เป็นอารมณ์แห่งในการคาดคะเนชื่อว่าเป็นของยั่งยืนเพราะอถาวะเที่ยงจากนั้นก็ไม่เกิดไม่เกิดพร้อมชื่อว่าไม่มีความโศกเพราะไม่มีเหตุให้โศกชื่อว่าปราศจากทุลีเพราะทุลีมีราคาเป็นต้นปราศจากแล้วชื่อว่าความดับเพราะเป็นเหตุดับแห่งทุกขธรรมมีชาติเป็นต้นเชื่อว่าความสงบแห่งสังขารเพราะเป็นเหตุสงบแห่งสังขารทั้งปวง อันเป็นทุกขธรรมจากนั้นก็ชื่อว่าเป็นความสุขเพราะเป็นความสุขโดยส่วนเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องอมตะมหานิาพพานเท่านั้นด้วยบทแม้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือเน้นให้เห็นทุกโทษของขันหานะครับเพื่อที่จะไม่มีการมุปาทานทิฏฐปาทานสีละพตุปาทานอัตวาทุปาทานในขันหานะครับโดยการทําปริญญาญาิดให้บริบูรณ์นะครับ ทีนี้การทําปริญญาากิจก็เท่ากับทํากิจการละเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านั้นด้วยนะครับถ้าทํากิจคือการกําหนดรู้และการละอย่างบริบูรณ์ก็เท่ากับทำให้แจ้งเท่านั้นด้วยนะครับคำถามว่าตัวที่ไปกําหนดรู้ตัวที่ละตัวที่ทําให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคนะครับเพราะนั้นการเจริญการประพฤติปฏิบัติเพื่ อ, อการเจริญแห่งอริยสัจสีก็เป็นไปในลักษณะนี้นะครับคนนี้จะถามครับอ ปริญญากิจเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาไปเรื่อยๆเนียจนเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยนะมันความหน่ายมันจะเกิดขึ้นเองโดยเราไม่ต้องทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือ<ป>คือ ป, ป, ปริญญาสามครับอะไรฮะคือใช้คําว่าปริญญาก็ต้องรับแยกระดับเป็นยาตะปริญญาตีรณปริญญาและก็ปัญญาปริญญานะครัะยาตะปริญญานั้นก็คื อ, อยังถึงสภาพเหล่านั้น พร้อมทั้งปัจจัยนะครับเช่นรูปประคันก็พร้อมทั้งปัจจัยเวทนาขันก็พร้อมทั้งปัจจัยสัญญาขันก็พร้อมทั้งปัจจัยสังขารและวิญญาณขันก็รู้พร้อมทั้งปัจจัยยังถึงเรื่องของปัจจัยแม้ทั้งในอดีตแม้ทั้งในอนาคตก็จนละคลายความสงสัยวิจิกิจฉา16ได้นะครับก็หายความสงสัยในคุณของพระรันตนตรัยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไข่ครวญถึงขันห้าเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นนะครับ แล้วมีการวินิจฉัยขันห้าโดยนิยะต่างๆมีเรื่องรูปสัตกะอรูปสัตกะเป็นต้นพิจารณาเหตุเกิดของขันห้าพิจารณาความดับของขันห้าเช่นรู ป, ปรขันจะเกิดเกิดโดยอาการเท่าไหร่จะดับดับโ ด, บดยอาการเท่าไหร่เป็นต้นนี่นะครับพิจารณาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำนัดในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปหาณาปริญญานะครับก็ต้องทําปริญญาเนี่ยไปโดยลําดับนะครับแต่ถ้าทําปริญญา จนบริบูรณ์มันก็ดับได้จริงๆแต่ส่วนที่สำคัญก็คือทำความเข้าใจคาว่าปริญญาให้ถ่องแท้นะครับว่าขอบเขตของปริญญานั้นเป็นไปขนาดไหนนะครับผนถ้าหากว่าทำปริญญาากิจบริบูรณ์จริงๆปหาณากิจก็บริบูรณ์ด้วยสัจิกิริยาก็บริบูรณ์ด้วยพาเวตพระก็บริบูรณ์ด้วยนะครับคือหมายว่าถ้าทากิจกาหนดรู้ทุกอย่างบริบูรณ์ ก็เท่ากับว่าทํากิจละสมุทัยด้วยนะครับทํานิโรธให้แจ้งด้วยแล้วก็ทําเจริญอริยมรดุด้วยนะถ้าทําปริญญาอย่างบริบูรณ์จริงๆในระดับของยาตาปริญญาเนี่ยนะครับเมื่อมาเทียบกับยาส16เนี่ยมันถึงระดับไหนครับถึงจะสมบูรณ์แบบในขั้นของยาตาปริญญายาตะปริญญานั้นก็คื อ, อทิฏฐิวิสุทธิ ก, กับกังขาวิตรณะวิสุทธิหรือนามรูปปริเฉทญาณ น, นะครับ กับปัจญาปริฆายานแต่ในคำพร์ไม่ค่อยนิยมใช้คำว่านามรูปปริเษทยานนิยมใช้คำว่าสังขารปริเชษนะครั บ, นะ ค, รบคือสังขารปริเชษพร้อมทั้งปัจญาปริฆายานหรือธรรมธิติญาณ น, นะครับนี่เรียกว่าภูมิของยาตะปริญญาส่วนสูงขึ้นนั้นไปนะครับจนถึงเหตุเกิดและความดับเขาเรียกว่าตีรณปริญญา ครับผมจนถึงระดับอุทยพิยานเรียกว่าตีรณปริญญาส่วนตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนะครับเห็นแต่ความดับโดยส่วนเดียวนี่นะครับอนุปัสนาทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นเป็นภูมิของปหานัปริญญาแต่เป็นโลกิยะโลกิยะจนถึงอนุโลมยานพอมัรขยานเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเป็นปหานัปปริญญาแบบโลกุตระ มันปาานะปริญญาก็แบ่งเป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับโลกิยะก็ตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปเน้นตรงนี้เน้นแต่ทางค้าประหารเน้นแต่ทางค้าประหารถ้าโลกิยะเน้นแต่ทางค้าประหารโลกิยะปริญญานะถ้าโลกุตระปริญญาก็เป็นสมุดเฉทประหาร น, นะครับ